กาโมทนาสสุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประูตดในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปาปะนิกสูตรเป็นการสอนธรรมะโดยอาศัยคุณลักษณะของคนดีในส่วนอื่นแล้วก็นำมาสะท้อนรม เป็นพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าส่งประรบขึ้นมาเองแต่ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพอค้าหรือวนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในชีวิตก็โดยอาศัยคุณธรรมสามประการประการแรกก็คือจักกุ ม, มา เรียกว่าเป็นผู้ที่มีดวงตาสามารถมองเห็นเรื่องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงสินวนตสินค้าตัวนี้ลงทุนเท่านี้ขายไปแล้วราคาเท่านั้นจะได้กำไรเท่านั้นเดี๋ยวต่อไปตนเองจะรับประโยชน์อะไรเป็นต้น หมายความว่าใช้ปัญญามองเห็นทางกระบวนการแต่พึงสังเกตว่าไม่ใช่เจาะจงเฉพาะพ่อค้าคือมองไปที่การกระทาของคนแต่ในจุดนั้นขณะนั้นก็ประรบพ่อค้า เ, คเป็นตัว อ, อย่างแสดงว่ามีพ่อค้าอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น หรือภิกษุได้พบเห็นการค้าขายของพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จพระเจ้าก็ส่งประรบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในปัจจุบันนั้นมีการตื่นตัวสูงในด้านสนใจศึกษาสำเนียกเรียนรู้ธรรมะทั้งหลาย เมื่อวานวันซื่นน่ยนะจะมีการประชุมสัมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพวกนักธุรกิจเข้าไปร่วมสัมนาสองร้อยกว่าคนพูดถึงจริยธรรมของนักธุรกิจบรรยายไปแล้วก็รู้สึกประสนใจตั้งใจทีศึกษาเรียนรู้ ได้แสดงให้เห็นในความโน้มเอียงที่เข้ามาหาศาสนามหาธรรมะล้วก็สมัครกันมานะฮะที่บางแห่งเปิดรับสมัครแล้วปรากฏว่าคนสมัครเกินตามโควตาที่กำหนดไว้ก็ไปอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้๋ยวขอเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น แต่เรามองความน้มเอียงในนี้ก็น่ า, นาดีใจแต่สังคมก็คือสังคมใ น, ในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีประชชนอยู่คนโน้มเอียงเข้าหาธรรมะเข้าหาศาสนากันเยอะแยะแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นแก่คนที่ไม่เข้าหาศาสนาก็ปนปูนความวุ่นวายมันคงจะมีอยู่ เพาลักษณะของจกักขุป ม, มาแปลว่ามีดวงตาเป็นการมองเห็นเหตุมองเห็นผลที่มีความต่อเนื่องกันไปว่าจะเป็นการศึกษาเป็นการทำกรเกษตรกรรมทำากสิกรรมการเลี้ยงสัตว์การค้าขายหรืออะไรก็ตามนะฮะมองเมื่อทำอย่างนี้ต่อไปผลก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นการเชื่อมโยงจากเหตุเข้าไปหาผลแล้วก็มองย้อนกลับเข้ามปหาตนก็คือมองไปถึงสิ่งที่ตนจะได้รับเป็นการมองตามตามกระบวนการคือครบวงจรก็เรื่องนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันก็ลองศึกษาติดตามเรื่องๆหลายเรื่องในช่วงนี้จะได้เห็นกระแสความคิดของบุคคลบางกลุ่ม มันมองไม่เป็นระบบนะครมองไม่เป็นกระบวนการแล้วเขาก็ไม่ได้วิเคราะห์เรื่องตัวความคิดเหล่านั้นว่าถ้าทําตามนั้นจริ ง, รงๆนี่ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรดัะนั้นแนวพระพุทธศาสนาท่านจะสอนเรื่องให้การมองในแง่ความเป็นเทตเดี๋ยว ต, ตรงนี้ก็ใช้คำว่าจากกลุม่มามีมีดวงตาที่จะมองเช่น การซื้อสินค้าหรือการลงทุนประกอบกิจาการงานาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าลงทุนไปเท่าไหร่ะจะขายไปเท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไหร่แต่คิดสระตะก็รวมหมดไปทั้งกรบวนการเหล่านั้นแต่หมายความว่าตนตัวเองต้องได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นส่วนจะมากหรือน้อยก็เปอีกเรื่องหนึ่งไอ้มากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคือต้องเอาตามเหมาะตามควร ประการต่อไปก็คือวิธุรคือมีความเฉลียวฉลาดมีความเพียรพยายามคือคําว่าวิธุระเนี่ย ม, มันแปลได้2อความหมายความหมายหนึ่งคือฉลาดหมายหนึ่งก็คือความเพียรหมายความว่าเป็นการใช้ความเพียรพยายามอย่างฉลาดนในการประกอบสมาชีพเนื้อหาหลักจริงๆเนี่ย เป็นเรื่องของศีลคือระดับชีวิตของคนเราเนี่ยที่จริงส่วนอื่นเป็นอุปการะเฉยๆตัวหลักจริงๆมาเรื่องศีลเช่นถ้าเรเทียบอริยมรรคก็หมายความว่าสมาธิสัมมาทังกับปะตมาวิมรสมาสติสมาสมาชีเบิกก็เป็นตัวหนุนแต่ว่าตัวหลักจริงๆที่เป็นตัวสะท้อนออกมาคือสมาวิจารสมากรรมตะสมาชีปะคือสรุปว่าเป็นชีวิตวิธีชีวิตระดับศีล สีสะท้อนออกมาทางกายทางวัชาเพราะงั้นการประกอบอาชีพในแนวนี้ก็เหมือนกันมายความฉลาดในการกระทําฉลาดในการผลิดฉลาดในการตลาดและก็ฉลาดในการบริโภคใช้สอยตลอดถึงเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆซึ่งวัานั้นก็ได้ประรบในเรื่องนี้เหมือนกัน เราบงเหิญว่าเวลาเนี้ยจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการประกอบธุรกิจแล้วก็ภาพการมองในสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเราสังเกตเใช้คาว่านายทุนเนี่ยมันจะเป็นภาพของความเลวร้ายตัดไม้ทำลายป่า ไปมีหลักฐานอยู่ก็มีในทุนอยู่เบื้องหลังทำลายภูเขาทำลายต้นน้ำลำธารก็มีในทุนบุกรุกสวนป่าสาธารณะก็มีในทุนคือสรุปาภาพในทุนเป็นภาพที่น่ากลัวไปเพราะว่ามีคนบางกลุ่มที่ทอดทิ้งศีลธรรมทอดทิ้งความรับผิด ช, ชอบ ต่อกฎหมายต่อความรับรงคงอยู่ต่อสภาพแวดล้อมตลอดถึงต่ออนุชนุดหลังเนี่ยตอนตรงนี้จะต้องอาศัยความฉลาดแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามไปในทางที่ถูกที่ควรโดยอยู่ในกรอบทั้งในการแสวงหาทั้งในการครอบครองและทั้งในการออจับนายจ่ายแจกบริโภคใช้สอยเนี่ย คือเกอองก่อความสมารีิวะประการต่อไปต้องใช้กำวมานิสยาสัมปันโนคือว่ามันสะท้อนความดีสะท้อนความรู้ความสามารถความคิดอ่านออกมาจนไปที่ยอมรับจะในสมัยโบราณเนี่ยคงจะเป็นพวกเศรษฐีอะไรเนี่ยท่านเห็นว่าเออคนนี้มันมันท่าทางมันดีมันไปได้มันก็ควรจะสนับสนับสนุนเพราะว่าไม่มีการธนาคาร พรจ้าก็ยกพวกเศรษฐีพวกขุนนางบดีทั้งหลายที่จะให้ทุนสนับสนุนคนเหล่านี้ในการดำเนินกิจการหรือแม้แต่จะเอาของไปก่อนแล้วนาเงินมาใช้จ่ายทีหลังท่างก็มีความเชื่อมัน่นว่าคนเหตนนัวนี้ไม่โกงไม่ทุจริตในปัจจุบันก็อาจจะเป็นธนาคารหรือแม้แต่ว่าคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็เห็น ตำนานคล้ายๆเสนอโครงการนะถ้าพูดปัจจุบันก็คล้ายๆเสนอโครงการแล้วให้ธนาคารเขาพิจารณาเขาเห็นด้วยเขาเห็นชอบเราพิสูจน์้วเขายอมรับนับถือได้มันก็กลายเป็นที่พึ่งพมนักอาศัยสนับสนุนส่งเสริมกันความเจริญในด้านชีวิตก็เกิดขึ้นแต่ว่าชีวิตเศรษฐกิจเนี่ย ปือถ้าขาดความระมัดระวังมันก็มีบาปเะเพราะว่าโลภะพระเจ้าทรงรับสางไว้โดยสรุปง่ายๆนะฮะว่าโลภะธรรมานังบริปันโทความโลภดยเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายม้ความทะโลภจัดเกินไปมันจะทำลายเข้ามาถึงตัวเองแต่ถ้าเราควบคุมทิ่ทางไว้ได้ก็อย่างที่บอกระดับศีลเนี่ย ที่ท่านกำหนดที่สันโดษซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเคยถูกรังเกียจ น, น, นะฮะสมัยจอมบุญสรีที่ต่อต้านเรื่องสันโดษมากขนาดขอร้องว่าพระญาสรเรื่องสันโดษท่านสมัยนั้นอะไรงานคือเงิ น, งนเงิ น, งนคืองานบดาลสุขก็กําหนดด้วยเงินกันหมดแล้วก็ต่อต้านขอร้องพระปาะหสอสันโดษบ้านเมืองจะไม่พัฒนาไม่รู้ใครไปบอกท่านนะี่ย ตอนนั้นเลยพระก็สอนสันโดษกันใหญ่เลยยิ่งห้ามก็ยิ่งสอนก็สันโดษเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็แบ่งเป็นสามตอนตอนหนึ่งก็คือเรื่องการสแสวงหาไอทีกรอบว่าสามารถใช้สรรพกำลังลงไปทุกอย่างได้แต่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไอความเหมาะความควร แต่อย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะเรื่องศีล น, นะฮะเรื่องศีลเนี่ยมองผลกระทบว่าตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนอย่างใ น, นกรณีบางกรณี น, นี่ตัวเองไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าเลยกรอบสันโดษไปคือไปสันโดษในการสแสวงหาแล้วในการครอบครองในการถือครองโดยจะมากหรือน้อยเนี่ยต้องทาใจใยินตีให้ได้ ความพอใจด้วยความอิ่มหรือไม่อิ่มเนี่ยอยู่ที่เราพอใจหรือไม่พอใจแต่เราพอใจเราก็อิ่มได้เราก็พอได้เราก็หยุดการแสวงหาได้อย่างน้อยที่สุดในช่วงนั้นในขณะที่ถือครองอยู่เนี่ยเธอไม่ใชว่านอนก็วางแผนที่จะหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น ท, ทั้งที่ตัวเองนอนอยู่อะนอนก็คือนอนแต่นั่นเองคืไปคิดวางแผนอะไรมันก็ไม่ไม่ได้ทำ เราไม่อยู่ในจุดนั้นเพราะแนวตรงนี้ผนสังเกตว่าถ้านในคิดเฉพาะเรื่องที่เราทำได้แต่คิดเอื้อมเกินไปมันก็ไกลเกินป้าคิดแล้วเราก็ทำไม่ได้คิดเรื่องอนาคตมันก็คิดในแนวมาเป็นครูสอนไม่ได้คิดไปกลุ่มแต่ว่าเราทาอะไรในปัจจุบันก็รับผิดชอบเฉพาะตรงนั้น แนสมาธินั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าให้อยู่กับปัจจุบันจริง จ, ง จ, ง จ, งจึงจะเกิดเป็นพลังสมาธิต่ใจยังแวบไปอนาคตหรืออดีตจะไม่อยู่ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เลิกพูดเรื่องสมาธิเป็นโครงสร้างที่เน้นหยุดสัมผัสโดยตรงมากแต่ว่าในงานอื่นๆมันก็แน่เดียวกันหมายความว่าเราให้อยู่โดยปัจจุบัน ก็เป็นชีวิตที่มีปัญญาคุ้มครองทั้ง3จุดตอนในจุดของการการผลิตหรือการซื้อหรือการอะไรก็ตามก็งานของเรามันเริ่มต้นตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจุดในการดำเนินการและจุดในการหาแหล่งหาที่หาคนสนับสนุนจากภายนอก แต่ตัวเองต้องมีต้องมีหัวในด้านนี้ไอ้นิสัยาสามปันโนบางทีเราก็สมบูรณ์ในนิสยัยคือมันมีหัวในด้านนี้มันคิดเรื่องนี้ทำไปได้คิดคนบางคนเขาเรียกว่ามันมีทางของเขานี่ยฮะอย่างคนที่มีความโน้มเอียงมาในทางทางศาสนาทางศีลธรรมเนี่ยมคิดชอบคิดโกงไม่เป็นเขาเรียกว่าทำบาปไม่ขึ้น แต่คนบางคนมั น, นทำบาปขึนะ้นแต่คิดในแง่ธรรมะไม่เป็นเพรรู้สึกแกไม่ได้เนเจอวัตถุเคยเคยกับคนคนุณนนะฮะที่เราพอคุยอะไรก็ได้นะี่เขาก็อธิบายแล้วเ็าก็ชื่นชมในความคิดเ่านันนะเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะจานาทิวาเนี่ยนะคนเราต้องโกงนะถ้าไม่โกงไม่รวยหรอกต้องโกงแต่ไม่ต้องกลัวหรอก แล้วแกก็เชื่อมั่นในความคิดเหล่านั้นนะพวกนี้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมก็พยายามดึงพยายามชี้แนะพยายามให้เหตุผลอะไรต่างๆแก้คว้างยังไม่ได้หรอกก็ปล่อยให้เจออะไรแรงๆตักครั้งก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนั้นแสดงว่านิสัยก็ไปทางนั้นน่ะ น, นะคิดไปได้ถ้าลูกโปรรงเลย แล้วก็เป็นกระแสของธรรมะอาธรรมามันก็เริ่มมป็นต้งแต่ต้นนะนะอย่างที่เคยบอกว่าอชนะเด็ดขาดจริงๆธรรมะชนะอาธรรมได้เด็ดขาดจริงๆก็ตอนบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแล้วเท่านั้นทำมาอย่างนั้นแล้วก็รบ ก, กันไปรบ ก, กันมาอย่างเงี้ยต่อสู้กันไปเรื่อยก็ประกันแพ้ประกันชนะทีก็ทรงมองกลับมาที่ผู้ปฏิบัติธรรม สรรพนามที่ใช้เรียกในขณะนั้นที่จริงไม่จําเป็นนี่ยนะฮะเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าจะเทศใครอะธรรมะนั้นจะเป็นสากลแต่ว่าสรรพนามที่เรียกคนก็แล้วแต่จะเรียกในแต่ละจุดเพร า, าคนที่ต้องการพัฒนาชีวิตหรือพุทธศาสจจนิกชนนวสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมสประการข้างต้นแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องไงนะเพียงแต่อาศัยคัมเฉย เป็นคำสอนในแนวที่เคยพูดว่าปฏิรูปคือหมายความว่าเอาคำเนี่ยมาปฏิรูปมาปรับใหม่ใช้ในกระแสของธรรมะภาษาชาวบ้านก็ใช้เราก็เอามาใช้ในแง่ของธรรมะอย่างที่เคยบอกว่าแม่นิพานเนี่ยที่จริงมาเป็นคาปฏิรูปเมื่อก่อนหมายถึงอะไรก็ได้นะต้มน้ำเดือด ยังไม่พร้อมอย่าดื่มมันเดือดมากไปก็เอามาวางพออุ่นๆพอเย็นอ่ะบอกน้ำที่พ่านแล้วก็ดื่มได้นะที่ผ่านแปลว่าดับร้อนนะนะดับร้อนเมือม่อก่อนมันก็ใช้ในแนวดับร้อนแต่เราก็ปฏิรูปมาใช้ในความหมายทางศาสนาเพราะงั้นเวลาใชา้เราก็ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่เขาใช้อยู่ก่อนเราไม่ได้สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาก็ต้องอนุวัต์คล้อยตามความเชื่อของชาวโลก ในนี้แนวเศรษฐกษิจก็มีคําใหม่เกิดขึ้นที่ไปอภิปรายกันก่อนมันก็ออกเหมนกับนี่โลกาโุวัตแต่ว่ามันมันมันมองในแง่ว่าประสานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั่วโลกคือเราสามารถจะไปลงทุนได้ทุกส่วนของโลกแล้วคนอื่นก็สามารถมาลงทุนได้ทุกส่วนของโลกอของประเทศเราเหมือนกันความมันเป็นเป็นค้าขายแบบโลกาโนวัตแต่ถ้าโลกาโนวัตที่จรงิงความหมายภาษาบาลีมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นขี้เกียจตั้งข้อสังเกตว่ามันยาวไป โลกาโนวัตในความหมายทางศาสนาก็หมายความว่าคล้อยตามสิ่งดีงามที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่รอบโลกอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ทั่วโลกอย่างนั้นมันน่าจะใช้ความหมายอย่างอื่นแต่ว่าความหมายภาษาอังกฤษบางก็รู้สึกจะแนวหนึ่งเขงาคงจะอาศัยแนวภาษาอังกฤษมากกว่าแนวภาษาบาลี ค, คือจักกุมาเหมือนกันคือใช้จักกุมาเหมือนกันหมายความมีดวงตาแต่ว่าเห็นอะไร ก็เห็นอริยสัตเห็นอริยสัต์ในแนวของการศึกษาก่อนนะครับเพราะอริยสัตว์นั้นจะต้องเห็นถึง3ตอนตอนแรกก็คือเห็นในด้านของการศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาคิดพิจารณาจนยอมรับความจริงนะฮะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงก็รู้ว่าทุกรู้เหตุเกิดของทุกรู้ความรับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงเรื่องความรับทุก ทุ ก, ก็คือตัวปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือการไม่มีปัญหาหรือการดับปัญหามรรคก็คือหลักการวิธีการในการดับปัญหาหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแต่เรารู้ตามความเป็นจริงเราก็ใช้ได้ทุกเรื่องอย่างที่เคยบอกว่าอริยสัจเนี่ยมันครอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดคำสอนในพุทธศาสนาเอง แป0 0มื่นสี่พันมาคารสอนไปสอนมาก็คืออริยสัจทั้งนั้นแล้วโลกทั้งปวงที่เคลื่อนไหวอยเวณนี้ที่จริงเป็นกระบวนของอริยสัจเราเห็นว่าพาาระเจ้าตรัสรู้อริยสัจเอ๊ะ ท, ทำไมมันน้อยเหลือเกินสข้อแต่จริงมันหมดแล้วนะฮะมันหมดแล้วแต่ว่าทำไมจึงจึงยังมีปัญหาเพราะเราไม่ยอมรับความจริงอ่ะ ในส่วนความทุกข์แทนที่จะปรับใจยอมรับความจริงหรือถอยห่งางแต่บ้างมันก็กโจรก็หาความทุกข์วิ่งก็หาความทุกข์แล้วก็ยื้อแย่งสิ่งที่เป็นทุกข์กันนะจโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เรายื้อแย่งที่จริงสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายนะะที่เราแย่งกันต่อสู้กันนะี่ยสิ่งที่เกิดแก่ต า, ตายต่างนั่นแหละ ได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปได้มาก็เปลี่ยนแปลงแตกดับไปได้มาก็เปลี่ยนแปลงแต่เราได้อะไรมามันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเลยแล้วเราตัวทุกข์ใหญ่เข้ามาตัวสภาวะมันเลยคือเราแย่งไอ้ตัวสภาวะกันได้ให้เราสังเกตนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราแย่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์คือมาเพิ่มทุกข์อะเราเองก็เกิดมาแล้วก็กําลังแก่เจ็บบ้างนะฮะแล้วก็ประเดี๋ยวก็ตายตายเมื่อไรก็ไม่รู้ แย่าเมื่อวานก็ลงมาจากข้างบนเนี่ยเจอท่านเจ้าคุณทามข้างล่างตอนลุกขึ้นงองแ ง, งงงองแงงก็บอกว่านี่อย่วดเก่งนะไม่กี่วันอนนี้เข้าลงกันนีคือมานั่งดูอายุกันนะท่านก็ห่างกว่ามาสิ ป, ปีสมเด็จห่างกับท่านสิปีเราเนึกว่าสมเด็จเก้าสิบนี่เราก็เจดสิบท่านเจ้าคุณก็แปดสิบโอ้ยมันใกล้ลงเต็มทีเลย แล้วปัญหาว่าใครจะลงโลงก่อนก็ไม่รู้นะครับางทีคนห0สิบลงโลงก่อนก็ได้ก็เทนมันมั น, ม, นมันก็ใกล้ความตายก็เดินคุยกันไปเรื่อยแบบนี้เราไม่มีโอกาสคือทำตัวจนไม่มีโอกาสที่จะหาความสงบที่จะเตรียมตายนะมันมันกลายเป็นการเตรียมอยู่ทั้งทง ท, งที่อายุยะแล้วร่ากายคล้ายๆเราเตรียมอยู่มันน่าจะเตรียมตายแล้ว ทั้งคงก็ไม่เปิดโอกาสให้อะทั้งนั้นอย่างนี้ยังงอนกบุญมาหมดเลยจริงๆชีวิตมันน่าจะมีช่วงหนึ่งคือเตรียมตายก็เห็นว่าภารกิจการงานเราปล่อยวางได้แล้วมันมันอายุมาขนาดนี้แหละมันน่าจะปล่อยวางแล้วก็ศึกษาหาความส ง, งบรักษาศีลเจริญธรรมบาเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็อยู่น้อยใชย้น้อยกินน้อยนะฮะ ให้สงบไปเลยไม่ต้องออกมาวุ่นกับเขาอะเราอยู่ไม่ได้กี่วันอะก็อยากวุก่นก็วุ่นของเขาเองพอเราอยากอยู่เราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว <KO> แนวคิดตรงนี้มายังชอบยังชอบแนะนวคิดของพรามนะฮะแนวคิดของพรามที่ใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นวรรณะประรัตคือหลีกเล่นเข้าไปหาความสงบดำป่าดาเขา สนทนากับนักบวชเข้าไปฝึกสมาธิบาเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าตามอาสรมทั้งหลแต่ถ้าท่านพอใจติดใจท่านก็ออกบวชไปเลยแต่ศาสนาไม่ค่อยสนับสนุนศาสนาพุทธไม่ค่อยเอาตอนออกบวชนะฮะคือถ้าแก่มากแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ออกบวชเพราะว่าแทนที่จะเพิ่มบุญอาจจะเพิ่มบาปคือไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ วินัยกำหนดเอาไว้ก็สนับสนุนในแง่ที่ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องอาศัยรูปแบบประการปฏิบัติธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็คือว่าสามคำที่บอกนะฮะอิงสาสัญญาธรรมะก็คือไม่เบียดเบียนสํารวมระวังแล้วก็ฝึกปลือตัวเองก็จบละพูดรวมๆก็ท่านั้นเพราะในการการมองเห็นความทุกข์เนี่ย อย่าน้อยมาตรงหลีกเร้นไอ้ตัวความทุกข์สักบ้างนะฮะอย่าปล่อยคว้าตัวทุกข์ไว้มากเกินไปเก็บสะสมรวบรวมอะไรๆ ไ, ไว้ที่จริงมันก็เป็นขันนะฮะกระแบกขันทีละห้าขันห้าขันก็หนักสาหัสสากันปล่อยปล่อยบางๆแล้วเวลาแกเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรู้ทันเขาพอเราศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่ามันเป็นเข้ามันอย่างนั้นแหละ ร้องให้ไปก็เท่านั้นเสียใจไปก็เท่านั้นโศกไปก็เท่านั้นเพราะมันเป็นเข้ามันอย่างนี้นีน่นก็แสดงว่าความความคิดในแนวเนี้มันเป็นการเห็นอริยสัจ ร, ระดับคิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาคุ้มครองจิตรักษาจิตเราได้ไม่กระโจนเข้าไปสู่พวงเหวของความทุกข์มากเกินไป เพแนวแนวความทุกข์ที่ท่านเรียกว่าเห็นเนี่ยเห็นจริ ง, รงๆนะฮะมามาความมันก็ละ ก, กิเลสได้ละความยึดมั่นหรือมั่นได้แต่อย่างน้อยเราก็ปล่อยนะก็ปล่อยความยึดมั่นหรือมั่นจะได้ปรงใจเสียบ้างวางใจเสียบ้างเช่นว่าทุกเพราะลูกหลานทึ่งเป็นขันแต่ละขันนะคนละห้าขันหน้าขันหนห้าขันเนี่ย บางคนปู่ยาตายายเนี่ยแกแล้วนำไปแบกลูกหลานนะมันแข็งแรงกว่าตัวเองก็ไม่เคยแข็งแรงอยู่สาบไปแบกเขาอะนอนก็ไม่หลับมันนอนคอยลกูกหลานเมื่ไรจะมาก็มันเรื่องอะไรเราตัวเองมีหน้าที่นอนคนอื่นมีหน้าที่เชี่ยวบคนละหน้าที่กันะก็นอนได้หลับๆก็หมดเรื่องแกจะมาเมื่อไหรมันเรื่องของแกนะ่ขาของแกแเราเราเราเราทำอะไรไม่ได้นะฮะ หมาควา ม, มาเธอมาถึงเมื่อไร่เธอก็มาถึงเมื่อ น, นั้นออส่วนเราก็นอนหลับไปกันแล้วกันเธอไม่มาถึงก็คือเธอไม่มาถึงมันมันเป็นเรื่องคนละเรื่องอะ่ะเราไมา่เชื่อมกันเฉยๆนี่ก็คือการรู้จักทําใจปล่อยวางยอมรับพุทธิภาวะเขาใช่ไหมนะออบางทีอย่างลูกมีครอบมีครั ว, ม, รวมีลูกแล้วนะเป็นแม่คนพ่อคนแล้วพ่อแม่ก็ยังไปบุนไปแต่แบกแบกบมันก็หนักไอ้ทีนี้แบกบมันก็วุ่น ตอนนั้นถ้าหากว่ารู้ด้วยการคิดเนี่ยนะฮะจะทาให้เบาได้ทุกเนี่ยมันอยู่ที่การกำหนดรู้เขาแบบเขาเป็นเขาอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกพูดง่ายๆว่ามันเป็นเขามันอย่างนั้นแหละนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาคือเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรนะอย่างน้อยก็เห็นว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพอเห็นอะไรเป็นอะไรเนี่ย เราปฏิบัติตัวเองได้ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขวากเป็นน้ำเป็นแก้วเดินยังไงล่ะแก้วแตกอยู่มันเดินยังไงให้ไม่มีอันตรายที่มันมีอันตรายคือตอนเราไม่รู้ไม่เห็นตามความจริงนะหรือว่ารู้ไม่ทันบางทีก็รู้ไม่ทันนะทีคนนึกไม่ทันเพราะทุกๆจึงเป็นปัญหาแบบปัญหายทั่วไปก็อยู่ในกลุ่มของทุกทั้งหมดแลวสมุทัยก็คือพวก กิเลสทั้งหลายเราก็รู้มันเป็นเหตุของทุกจริงเพราะงั้นทำอย่างไรละไอ้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดจะไปกระตุ้นมันแต่สังคมเรามีภาพของการกระตุ้นกิเลสแต่วันนั้นก็พูดกับนักธุรกิจก็เหมือนกันว่าสังคมเนี่ยมันมั น, ม, นมันถูกยั่วให้อยากทําให้คนนี่อยู่อย่างอยากแล้วใครมีแรงมากก็วิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านั้นทําให้สังคมมันเกิดช่องว่าง คนที่มีศักยภาพสูงๆมีพวกปริวญารมากก็รวยซะไม่รู้เรื่องเลยเบ็นี้อะไรที่เอามาออกมาออกกันนะแม้แต่การโฆษณาถ้าลองสังเกตการโฆษณานะคือคือมันยกสังคมขึ้นไปไว้ได้รับหนึ่งเดยบ้านอย่างนั้นรถอย่างนั้นอาคารอย่างนั้นมันรู้ๆต ร, ร, รงนั้นน่นะแม้ยนะควาคนอย่างนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ในบ้านในเมืองนะก็ทําให้อยู่อย่างอยากแล้วคนก็ดิ้นไปประสบความอยากแล้วเอาก็จริงมันก็ตอบสนองไม่ได้เพราะงั้น การชอบโกงการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรมันก็เกิดขึ้นหุ้น เ, นเชียร์กันจริงออกจริงออกชา้าออกสายออกบ่ายออกเย็นออกกลางคืนออกอะไรกันหนักหนาออกไม่รู้อที่จริงไว้เรื่องของกลุ่มคนเล็กๆนิดเดียวนะฮะเขาเคยทําได้ดิติบอกว่าคนเล่นหุ้นนี่มีจะกี่คนในบ้านในเมืองมันไปปลุกราวให้เกิดความอยากคนอยากเนี่ยก็คือคนโลภนะฮะ เรามองจะสายตันหาก็อันตรายมองจะสายโลภเองก็อันตรายมองจะสายราคะเองก็อันตรายแต่ละอย่างก็กลายเป็นอาตยรกรรมแล้วก็นำความทุกข์พเกิดทุกข์ขึ้นมาปรากฏเราไม่ได้ทุกข์เฉพาะเฉพาะตัวเราตัวผู้ทาแต่ว่าคนอื่นพลอยทุกข์ด้วยเพราะเป็นปัญหาระดับศีลธรรมแล้วเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมประชาธิปไตเข้ามา แล้วก็ปรารบเรื่องปัญหาที่เขาทําก็แก้นะะเนี่ยอามาก็พูดทีเล่นจริงว่าพวกคุณแก้ปัญหาเหมือนกับหมากัดหางตัวเองอะ่ะหมุนไปหมุนมากัดหางไม่ติดตั้งีน อ, อ่างเ้ยเราจะเห็นว่าปัญหาโสมเปณีเนีนะะ่ยแก้แล้วก็ส่งโสเปณีกลับไปเป็นโสเปณีทุกทีจากบ้านบากเกรดออกไปบ้านนอยก็กลับไปโสเปณีต่อมันไม่ได้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานไม่ได้แก้ปัญหาตัวหลักไม่ได้แก้ปัญหาตัวโง่จนเจ็บคนยังโง่เหมือนเดิม เขายังจนเหมือนเดิมแก้ปัญหาแล้วก็ยังจนเหมือนเดิมเขาก็วิ่งไปหาแก้ความจนเพราะความโง่ว่าไม่รู้ว่ไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่ค่ะเพราะน่าจะแก้มาต้องแก้มาจากฐานเลยลงสำรวจพื้นล่างเลยว่าแหล่งตรงไหนที่ว่ามีการนิยมส่งลูกไปอย่างนั้นไปดูตั้งแต่ป .6 ป .5 ป .6 มาเลยมีเด็กกี่คนแล้วก็ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆมีความพร้อมที่จะศึกษาแล้วเรียนไหมถ้าไม่พร้อมรัฐต้องหนุนเขา ส่งเสียเกิดการเล่าเรียนมีที่อยู่ที่อาศัยสนับสนุในให้เรียนทุสูงไปแเอาลมศีลธรรมแล้วก็เอาพ่อแม่เนี่ยมาพูดได้เกิดความเข้าใจผู้ใหญ่บ้านครูสมภารมาจับหลุมผัวกันคุยกันให้รู้เรื่องมันต้องเอาคนลงมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และที่สำคัญย่างยิ่งคือแก้ปัญหาด้านจิตใจแก้ปัญหาค่านิยมปัญหามันมีหลายตัวนะ่ปะปัญหาเรื่องเนี้ยทีนี้เราเราไปแก้ปัญหาฉาบฉวยอย่างนั้ น, งงนมันก็มันก็แก้ไม่จบสักทีเดีวยว มืนก็ปล่อยนกะมีนกให้ปล่อยอยู่เรื่อยก็นกมันปล่อยไปแล้วมันกลับมาปล่อยแล้วมันจับมาปล่อยแล้วมันจับมาก็ปล่อยจ น, น, นผอมแก้ปัญหาไม่จบเพราะไม่ได้แก้ตัวเหตุจริงๆรนะฮะไปแก้ที่ผลมันก็เอายาหมองมาทาแก้ปวดหัวเนี่ยมัก็ปวด อ, อีกอะเพราะสาเหตุจริงๆริไม่ได้แก่เพราะแนวแนวการมองสมุทยัยก็คือมองตัวกิเลสว่าเป็นเหตุของความทุกข์จริงต้องเราใจเราต้องยอมรับนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จริง แต่ก็เนี่ยก็ก็มาถึงมาจุดจริงๆว่าคนไม่ยอมรับเอาเป็นเหตุของความทุกข์มันมีความสุขนะจากการตามใจความอยากเสียงโทรศัพท์มิศักสิทธ์กว่าเสียงเรียกที่บ้านนะะแม่เรียกบางทีนั่งเฉยนะโทรศัพท์วิ่งกระโจนเลยนะฮะสักสิทธ์มากๆเลยเสียงโทรศัพท์โอ้มันมีคล้ายๆประกาศสิบางทีแย่งกันเลยแย่งรับกันเลยเรื่องแปลกมากๆพ่อแม่เรียกเฉยเลยนะ ฟังคำสามคําไม่ได้ยินแต่โทรศัพท์เรียกเราก็ใครไม่รู้เรียกฮะลุกขึ้นก็ตื่นร้อนก็วีกวาดไปเลยนะเอาวิทยุมือถือจิตใจมันไม่สงบทําไมจะต้องให้ใครเขาโทรศัพท์มาสั่งเร า, อ ย, า, งง อ, ยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะมาเร็วเร็วนะมาเร็วเร็วนะเป็นประกาศิธิต้องรีบไปนะไม่ได้ต้องรีบไปไปรดี๋ยวแค่้านาทีสิบนาทีทั้งทๆที่รถติดอนะ่ะไปให้สัญญาเขานี่ก็คือก็คือมีลักษณะกระตุน้นเพิ่มพุกนะฮะ ที่จริงมันไปเพิ่มที่กิเลสเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเพิ่มกิเลสเราก็เพิ่มทุกข์เราก็เพิ่มภาระปุกพันให้แกตัวเองเยอะแยะสูญเสียความเป็นอิสระก็เรียกว่าเหมือนแมลงมุมที่สร้างใหญ่ขึ้นมาขังตัวเองแล้วตัวเองก็ไปติดอยู่กลางรังองนะฮะถ้าแกไม่สร้างรังมันก็ไม่ติดอะแต่แกไปสร้างกันเองเลยติดอยู่ตัวนั้นเอง แต่นั้นตรงตรงนี้ท่านจึงสอนให้มองว่ามันเป็นเหตุของทุกข์จริงๆแล้วก็ดูเห็นนะความโลภเนี่ยมันสร้างความไม่สบา ย, ยดัดให้นะเกิดขึ้นแก่เราความโกรธเป็นยังไงความโลภอ่าความหลงเป็นยังไงเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนความเคยโปร่งเคยเย็นเคยสบายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ตรงนี้ก็อย่างที่ว่านะคือลักษณะของของคนบางทีก็ถือว่ามันเป็นสุขจากการเป็นอย่างนั้น จะแนวที่โบราณท่านเล่าถึงเรื่องนอนกเทวดานะมันมันัก็เป็นภาพสะท้อนรูปธปรรมที่ชัดพรเมื่อวินิจฉัยจะพื้นฐานของนอนทุกอย่างในส้วมนั้นดีหมดเลยแต่เทวดาก็มองเห็นว่าของเขาก็ดีกว่าแล้วก็อยู่ที่พื้นจิตหรือสัมผัสหรือการเสพคุณของคนเราแต่ละคนก็มาวินิจฉัยตัดสินกันเพราะฉะั้นไอ้ภูมิภูมิจิตของคนเนี่ยสำคัญ มันจะนําไปสู่ภูมิฐานหรือไม่ภูมิฐานแล้วภูมิภูมิจิตจะต้องมีถ้ามีภูมิธรรมสูงมันภูมิจิตมันสูงะแล้วก็ภูมิฐานตลอดตลอดถึงพบที่เราจะอยู่อาศัยในมันก็ดีแต่ถ้ารบกพร่องในด้านภูมิธรรมภูมิจิตเราก็ภูมิจิตเราก็เสียสูญภูมิธรรมเราก็ไม่ดีพอไม่ใช่ภูมิฐานเราก็เสีย เสียเกณฑ์มาตรฐานของของความดีงามนิโรธเองก็เหมือนกันต้องยอมรับว่ามันเป็นความดับทุกข์จริงแต่ตัวนิโรธเราก็สัมผัสเต็มที่ไม่ได้นะฮะมาเต็มที่ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของภริญญาเราก็ต้องดูจิตของเราในขณะที่เราสงบกิเลสได้สงบความโกรธได้สงบความริษยาได้แล้วมันสบายกว่าเดิมไหมกิริยาท่าทางอาการผิวพรุ์ หน้าตาทั้งหมดมันมันมั น, มนเปลี่ยนแปลงไปในทางเย็นขึ้นสงบขึ้นแล้วก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยใจตัวเองเพราะว่าธรรมะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่มีใครดนบันดาลนะทาได้แค่บอกให้เหมือนกับหมอทําได้แค่ให้ยาแล้วหมอยังดีนะก็ฉีดยาเขาได้แต่ธรรมะนี่มันมันไม่ได้เลยก็แค่บอกให้แต่นั้นเอง การจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในการรู้ทุกนในการดับลดกิเลสนะผงไม่พูดถึงดับกิเลสว่าลดกิเลสลงไปเราจนสำสจสัมผัสความสงบย็นก็เป็นเรื่องของคนแต่ละคนไม่มีใครไม่มีใครจะช่วยใครได้แล้วก็ดูมรรมแต่ละข้อเนี่ยเป็นทางดับทุกจริงเวลาเนี้ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าช่างทม เอามากังเขียนหนังสือแล้วก็พอดีไปได้เอกสารทางราชการนะฮะเอกสารชั้นชั้นชั้นเรียกว่าดีนะถ้าเราไม่เปิดดูเนื้อเนี่ยปรากฏปฏิเสธธรรมะหมดเลยว่าสังคมไทยเนี่ยที่ ท, ที่ที่มันไม่ได้พัฒนาแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาที่ประหาดิบิไตได้ว่าไว้เยอะเลยนะฮะที่สําคัญอยิง่งคือปฏิเสธธรรมะหมดเลยลักษณะการประนีประนอมลักษณะของเมตตาความกรุณาการให้อภัยความกตัญญู การไม่ชอบเปียดเบียนคนอื่นอะไรตไรเนี่ยเขาถือว่าเป็นอุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วประชาธิปไตยเลยไม่รู้อะไรอันนี้ก็คืออะไรก็คือปฏิเสธว่ามรคนั้นไม่ใช่มรเป็นการปฏิเสธมรแล้วแล้วแกก็ไม่คิดดูว่าถ้าโลกอยู่โดยขาดเมตตาเนี่ยมันจะอยู่กันได้ยังไงก็คือภาวะสงครามภาวะมิตรสัญญาแกก็แสดงแกก็ไม่เข้าใจเมตตา แต่แกเป็นเสดว่า ส, งสังคมไทย ท, ที่มันพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เพราะอย่า ง, ง, ง, ง, งนะี้เยอะนะธรรมะตั้งสักยี่สิบความเชื่อกดของกาม ก, ก็ผิดก็บอกผิดเรื่องเรื่องอันนี้จังก็ผิดแต่อันนี้จังมาอยู่ตรงไหนแกก็ไม่บอกกนะันะว่าที่มันเที่ยงในมีอะไรเที่ยงมันแล้วก็ถ้าเราไม่มีความกระตันอยู่จะอยู่ได้ยังไงแล้วก็การที่ว่าพูดน้อยต้องพึ่งพาผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนา คนนึกไม่ออกว่าไอ้ผู้น้อยไม่พึ่งผู้ใหญ่มันอยู่ได้ยังไงพราะแม่เกิดลูกปั๊บโยนทยิ้งเลยได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงอย่ า, ยานึกไม่ออกไงนะนึกไม่ออกว่าไอ้แก่คิดหรือเปล่าเนี่ยวะมันมันอยู่ได้ยังไงเพราะผู้น้อยก็ต้องพึ karaoke karaoke พ่งผู้ใหญ่แล้วเวลาแก่ไปนะผู้ใหญ่ก็ต้องพึ่งผู้น้อยมันก็พึ่งกันมาอย่างเนี้ยสมมุติว่าขาดการพึ่งสักช่วงเราจะอยู่ได้ยังไงเขียนกันมาได้ดิบดีเอาไปเรียนระดับสูงนะฮะเป็นหลักสูตรระดับสูงได้ไเขียนกันมาได้ เลยก็กำลังเอาเอาข้อความเราเนี้ยมาเขียนแสดงอะไรแสดงลักษณะช่างทำ ร, รังเกียจทำมะรังเกียจตัวมัดนะฮะที่จะนําไปสู่ผลคือความสุขมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการเป็นเศษตัวเหตุแล้วเราก็ไม่รับความสุขพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้แสดงเอาไว้เนี่ยว่ามีคนมาถามเทวดามาถามว่าคนเราจะเสือ่อมจะเจริญเนี้ยรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกที่จริงม่รู้ได้ง่าย ว่าคนยินดีในธรรมะก็จะเป็นผู้เจริญคนเกลียดธรรมะก็เสื่อมมันปฏิเสธหมดเลยเลองนึกดูว่าเราขาดไม่ตาโกณาอยู่ได้เลยอยู่ยังไงขาดกรตันอยู่เนี่ยมันอยู่กันได้ยังไงเดือขาดการประสานประโยชน์ขาดการสมานฉันนี่ยครอบครัวก็ทะเลาะกันบ้านพังเลยความคิดมันไม่ตรงในตรีมันมันก็อาศัยที่การมีสมานฉันน์แต่การสมานฉันน์กันได้ก็เพราะมีเมตตามีกระตันอยู่ มีความก็ลดน้ำตื้นแกนแกไปเศษหมดเลยมรรคพวกนี้เยเรยตั้งหลายข้อว่าแต่ไปเศษไปสักสองบรรทัดนะมั้งเดีวท่านํามาเรียงทั้งหมดเนี่ยคงสักยี่สิบกว่าข้อไปเศษหมดเลยแปลกมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะหนังสือนี้พิมพ์ทั้งหลายเรื่องหลายครั้งเหมืกันเล่มใหญ่ไหมเล่มใหญ่นี่คณะทํางานแล้วก็มีปริญญาอะไรตระยุยะนะ โอคนเราคนเรามก็เวียนกรรมอย่างนี้เองไม่ได้นึกนะฮะแล้วก็พอดีหนังสืออะไรหนังสือผู้จัด ก, การไปสัมมนาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาแจกมามาเปิดดูโอ้โหความคิดน่าดูมากเลยเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มียกย่องกันมาก็ขเขียนตั้งแต่หนึ่งหกทุกวันเนี่ยยังเอามายกย่องกันเแล้วห ม, มายความถ้าปฏิบัติตามนั้นโลกจะ จะมิกะสันยีเลยนะแทนที่จะเป็นพัฒนาเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นมิกะสันดีคือจะเบียดเบียนกันแรงมาคนไม่ไม่ไม่ได้มีความคิดเพราะอะไรเพราะมันขาดสมาธิิซึ่งเป็นตัวมรรคหลักมันขาดความเห็นชอบตพอความพอความเห็นชอบไม่มีความคิดชอบก็ไม่มีการพูดชอบก็ไม่มีมันมันไม่มีมันล้มละลายเลยฮะล้มละลายทั้งระบบของอาริยมรรค เนจะเดินไปสู่การแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องมองเห็นว่ามรรคนั้นคือทางที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์ได้ถ้าเราไปเสียทางเราก็ไม่เดินทางนีฮะเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันก็เท่านั้นเองดังนั้นจะต้องมีดวงตาเห็นว่าทุกข์ก็คือทุกข์จริงสมุทัยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์จริงนิโรธเป็นความดับทุกข์จริงแล้วก็มรรคเป็นข้อปลายทาง ปฏิบัติได้ถึงเรื่องความดับทุกขจริงแม้แต่เพียงข้อเดียวนะะเราจะเห็นว่าเมตตาข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วสติข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วความเพียรข้อเดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วศรัทธาก็เดียวก็ดับทุกข์ได้แล้วไม่ต้องออกมาหลายๆข้ออนะเพราะว่าธรรมะนั้นเขาจะเมื่ออย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็เกิดตำนองคล้ายๆกับปลูกพืชเดียวกัที่ว่าเนะี่ยเราปลูกนิดเดียวแต่มันก็แฝงกิ่งกา้านสาขาไปได้โดยใส่มเมล็ดพืชเมล็ดนั้นแหละผ่านการเวลาไปก็เติบโตขึ้นมาเอง ธรมาก็เหมือนกันประการต่อไปออต้องมีวิตุโรวิทุโรตนนี้แทนที่จะพูดฉลาดมันไม่ฉลาดแล้วนะเพราะเอาจากุมาฉลาดกันละจากุมาก็คือที่จริงก็คือปัญญานะอบอกว่าเป็นความเพียรพยายามเพียรพยายามในเรื่องอะไรนะเราจะเห็นว่าถ้าเรามองกลับไปที่บนก็คือว่า ในเรื่องตัวทุกทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการปรับใจใยอมรับความจริงไมยว่าอะไรก็ตามนะฮะยอมรับความจริงของสิ่งหลดนั้นเมื่อยอมรับความจริงแล้วใจจะไม่เดือดร้อนแน่นะแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงเท่าที่มันปรากฏแต่คุณลักษณะของเราที่จริงเรายอมรับความจริงอยู่เยอะแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนหนาวยอมรับว่าหนาวเราก็ป้องกันหนาวใช่เราก็นอนหลับสบาย ร้อนเราก็ยอมรับมันร้อนเราก็แก้ไขได้หิวเรายอมรับมันหิวเราก็บรรเทาหิวเนี้วตัวเราก็ยอมรับมันเนืยวตัวเราอาบน้ำเห็นไหมเรายอมรับความจริงอยู่เยอะแล้วคุณสมบัติเหล่าเนี้ยแล้วเราก็ปรับไปตามความจริงที่มันปรากฏเนี่ยนั่งตรงนี้ไม่สบายมดขึ้นหลบไปตรงอื่นก็มดก็ไม่ขึ้นเห็นไหมฮะเราก็แก้ปัญหาเรื่องมดได้แสดงว่าคุณสมบัติตรงนี้เรามีอยู่แล้ว เรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาใหม่เลยเราเอาเอาสมบัติที่มีอยู่แล้วคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยพัฒนาขึ้นไดกจุดนั้นตอนธรรมะก็คือให้มีเพิ่มขึ้นให้เป็นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะแต่ให้มีเพิ่มขึ้นให้เป็นเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ใช้ความพยายามในการปรับใจไปเรื่อยนะคิดไปเรื่อยยอมรับไปเรื่อย เหมือนก็แขกมาบ้านนะฮะถ้าเรายอมรับเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเช่นว่าแขกที่เรารักเนะี่ยฮะมาเราก็อยากให้อยู่กับเรานานๆพอแกไปเราก็เดือดร้อนเราก็โศกพอแกไปไอ้แขกที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ยอมรับคื อ, อ, อปฏิเสธการจะมาอยู่ของเขาเราก็เดือดร้อนนะฮะอก็เดือดร้อนแต่ยอมรับของทีก็เป็นแขกนะถ้าไม่ชอบปรเดี๋ยวก็ไป เนมเราก็ไม่เดือดร้อนทั้งแขกที่เรารักและแขกที่เราที่เราไม่ค่อยชอบเพราะจริงๆเขาเป็นแค่แขกเฉยๆเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเราก็ไม่ไปยึดติดในคนที่เรารักแล้วเราก็ไม่ไปครึ่งเครียดในคนที่เราไม่ไม่รักก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะเจ้าบ้านเสร็จ แ, แล้วก็จบเรไม่เดือดร้อนทั้งขณะมาขณะอยู่และขณะไป แต่ถ้าใจเราปฏิเสธคือจะเห็นว่าจะเดือดร้อนทั้งขณะมาขณะอยู่ขณะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักก็คือขณะไปนะคนที่เราไม่รักนั้นทั้งทั้งสามขณะเลยไม่ใช่สองสองขณะขณะมาขณะอยู่ขณะไปจะดีใจแต่ถ้าเรายอมรับทั้งหมดเราก็สบายสบา ย, บายทําหน้าที่ของเราในส่วนของกิเลสก็คือพวกพวทส ม, มุทัยนะฮะหมายความว่าก็ต้องพยายามพยายามอะไร กิเลสเดีมนมีอยู่สองสองสายนะกิเลสใหม่กิเลสเก่ากิเลสที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดเหมือนกับเชื้อโรคในร่างกายเราในเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วก็เชื้อโรคที่ยังไม่เกิดแต่ลองสังเกตว่าถ้าเชื้อโรคไม่ได้รับโรคเสริมเข้ามาจากข้างนอกไม่มีการติดเชื้อไม่ไม่ไม่รับเชื้อเพิ่มอะไรขึ้นมาเราก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเชื้อโรคขนาดนี้ไม่มีปัญหา เราทำยังไงจึงป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นมาได้แต่ทีนี้การป้องกันเราต้องพอใจในตัวความเพียรนะเพราะความเพียรถ้าเราไม่พอใจข่าวเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กับเรามันเรื่องความรู้ทั้งหลายนะเราลองตั้งกตดูความรู้ความเอความรู้ความดีทั้งหลายถ้าเราไม่พอใจเขานี่เขาไม่อยู่อ่ะเขาไม่อยู่จากนั้นความรู้ถ้าเราต้องการจะอยู่กับเราเราก็ต้องหมานอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆนะที่ต้องบอกว่า มนมีการไม่ท่องบทเป็นมนทินหมายความว่าต ำ, ร, ตำราตําราวิชาต่างๆถ้าเราไม่อ่านบ่อยๆทราบบ่อยๆมันก็มันก็ไม่อยู่กับเราเขาก็ไปกับเราอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยฮะก็ทิ้งไปสักพักแล้วหายไปไหนไม่รู้กลับเข้าตํารามาเลยเพอเรามาเลยเราไม่ใส่ใจเขาเขาก็ไม่อยู่กับเรากิเลสนั้นที่ที่ที่ยังไม่เกิดเราก็ป้องกัน ที่เกิดแล้วเราก็มองเห็นโทษก็พยายามลดพยายามลดก็แสดงว่าพอลดมาแล้มันปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยปเปลี่ยนการพูดการคําก็ราให้มีความสงบประณีตขึ้นอย่างที่เคยบอกว่าประเด็นสําคัญของการเข้าวัดเนี่ยถ้าวัดเป็นกิริยานะฮะเราจะเห็นว่าวัดเป็นนามก็ได้เป็นเนกิริยาก็ได้เดีถามว่าใครเป็นคนวัดนะฮะเราก็วัดใจเราเอง วัดกายวัดวาจาวัดใจกองเราเองว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะข้าสูเกตนิมาฐานหรือเปล่าว่าวัดดูวกิเลสมันลดลงไปไหมวัดดูว่าธรรมะมันเพิ่มขึ้นไหมวัดดูว่าความรู้สึกต่อเราเนี่ยไม่ใช่ต่อคนอื่นมันเปลี่ยนแปลงไปในแนวใจมีเมตตามีกรุณาเพิ่มขึ้นไหมถ้ามีให้วัดก็แสดงว่าภูมิใจได้ เพราะงั้นกิเลสเราก็พยายามลดที่มีอยู่แล้วแต่เราต้องมองเห็นเป็นความผิดแล้วใครมองเห็นเรามองนะฮะไม่ใช่คนอื่นมองเพราคนอื่นมองเราโกรธนะฮะเป็เรื่องที่แปลกมากๆใครพูดเรามีกิเลสเนี่เราโกรธทันทันที่เรามีกิเลสแล้วเราก็ลืมว่าไอ้ตัวโกรธเองมันก็เป็นกิเลสเราลืมไปนะฮะเราก็โกรธเลยนะฮะว่าเรามีกิเลสเ ก็แสดงว่าเราก็ไม่รู้ไอ้ไอ้ตัวโกรธที่เราแสดงในขณะนั้นคือแสดงมันมันเป็นการยืนยันว่าฉันมีกิเลส จ, จริงฉันมีกิเลส จ, จริงแต่เราก็ปฏิเสธตอนนั้นท่านจึงบอกว่าต้องยอมรับนไงแล้วก็ในส่วนนิโรธก็เข้าพยายามสัมผัสทําใจสงบทําใจให้เย็นนะฮะทำใจให้มีความสุขก็เป็นอาการของนิโรธอย่างอ่อนๆก็กคํานองคล้ายๆกับชิมนิโรธดูนะฮะว่า เนี่ยมันเป็นสุขอย่างนี้เป็นความสงบอย่างนี้เป็นความเยือเกเย็นอย่างนี้แต่ก็มีปริมาณมากกว่านั้นนะนะแล้วส่วนมาร์เองก็ต้องพยายามลงมือประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็มีสองอย่างนะฮะมาร์กเนี่ยเราจะเห็นว่านี่นโรสนี่ไม่ต้องรักษาเขาเพราะว่าเขาเป็นผลถาวร น, นีโรสนี่เ อ, อเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาเขาแล้วก็จบครับ เพราะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนนะนิโรธเขาจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าการไม่เปลี่ยนของเขามันก็อยู่กับมรษนะฮะอยู่กับมรษของเร า, ามีหรือเปล่าเพราะวกาเขาเขาเป็นผลถ้าว่าตัวมรษยังมีอยู่เขาก็มีอยู่แต่ถ้ามารษไม่มีเขาก็หมดสมบับนิโรธจริงๆรนิโรธพระหานจริงๆท่านไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่สมบัติเราทั่วไปก็คือว่าความดีที่ ยังไม่มีหรือมีน้อยก็พยายามเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามรักษาวไว้ในระดับนั้นแล้วก็เพิ่มต่อไปก็รักษาวไว้ในระดับนั้นแล้วเพิ่มต่อไปรักษาวไว้ในระดับนั้นก็แสดงว่ามันสามารถวัดได้ขึ้นไปเรื่อยเช่นมีเมตตาแผ่ท่านบอกแผ่ไม้ความาแทนที่จะขีดวงตรงนี้แล้วก็แผ่ไปเรื่อยแล้ก็แสงสว่างเดี๋ยมัน กระจายออกไปเรื่อยมันก็สองให้คนอื่นเห็นไปโดยลำดับมันเป็นประโยชน์เพราะนั้นจึงมีสองอย่างที่เรียกว่าสร้างให้มีขึ้นแล้วก็รักษาวไว้แล้วก็มีนิเสยสัมปันโน ค, คือหมายความว่ามีที่พึ่งพานักอาศัยมีนักปราราชบันดิตมีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาสอบทานเทียบเคียง สอบถามปัญหาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอย่างในปัจจุบันที่จริงมันก็ง่ายกว่านั้นเยอะนะครเรามีตํำรับตําราเยอะประใจัยวดดกเวีดดนี้จับเข้าคอมพิวเตอร์ไอที่แปล91เล่มที่หน้าวัดเนี่ยนะเขาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วราคาแพงหน่อยเมก่อนเ น, นี่ยเขามาบอกตั้งหกหมื่ แต่มาดูแล้วเนี่ยพวกเราคงไม่จำเป็นคือพระนี่ไม่ค่อยจำเป็นเราดูที่บาลีดีกว่าดูฉบับบาลีดีกว่าเราสึกเป็นคนง่ายกว่าพระเไทยเพราคนไทยเป็นนี้ก็เก่ ง, งนะก็แสดงว่าสนใจพรศาสนาทากันเป็นล่าเป็นสารในหมู่ชาวบ้านเยอะเหลือเกินกากลุ่มกันคือคือมาลงมือทางานในด้านนี้มาออกรายการทางวิทยุทางโทรทัศน์มา ทํากิจกรรมในการศึกษาในการปฏิบัติในการเผยแพร่ศ า, าสนากันอันตรงนี้ถ้าไม่ต้องไปหาคนก็ได้นะฮะดูตรำ ร, ตรำาตารากดคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าถามคนเนี่ยมันง่ายให้เราสังเกตว่าสมมุติเราถ้าถามปัญหาธรรมะเนี่ยตีทุวันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราจะคนน้นเนี่ยสิวันในค้นไม่ครบ แต่เราใช้เวลาเป็นหนึ่งย่อวงเราจะถามได้เ ย, ยเอะแนวถามจึงเป็นแนวที่ใช้มากสมัยพุทธกาลเองเวลาพระเจ้าเทศภสกษุษทก็ถามถามก็เสริมจากที่ทรงเทศตรงสแสดงไว้แต่จถ้าเราจะใช้ค้นคว้าสมัยนั้นยิ่งยิงหาตำราค้คนคว้าไม่ได้ก็ต้องใช้ถามลูกเดียวเหมือนไม่มีตำราตำรา สมัยนี้แม้จะมีตำรับตำราแต่ถ้าเราจะถามหลายเรื่องเราค้นเองเนี่ยมันก็ยุ่งไม่ใช่เล่นเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบสตองพันาร้อยสิบเอ็ดสิบสอ ง, ง 11, น, นนะฮะอามาเคยทำเทียบพระองคราชวาตัตรในหลวงห้าร้อสิบเอ็ดเพื่อพิมพ์ในงานหกสิบปีเขาหม่อมหม่อมหม่อมหลวงบัวเมื่อก่อนสมเด็จมอบหมายให้พระทำกันสามองค์ปรากฏว่าสององค์นั้นทำไม่ได้มาแมมลงเบอร์นามาคนเดียว มันรู้นะที่จริงรอรพออ่านแป๊บในเรารู้ว่าตรงเนี้ยตรงกับพุทธศาสนาสุภาติแต่มีข้อแม้ว่าต้องอ้างว่าอยู่ในเล่มไหนหน้าเท่าไหร่นะใจความมาอย่างไรไม่ต้องโคดอกมาพอโคดมาเราก็งงเราก็นึกไม่ออกเพระาะเราอ่านมาเยอะแต่เราเห็นแป๊บเรารู้ทันทีเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นพุทธศาสน า, าสุภาษิตแต่นึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนไอ้ตอนนึกไม่ออกเลยเลยมั่วเลยอันที่อยู่กันรุ่งเลยนะบางทีก็หลับปุ๊บกองไปะใจไปดก ก็ไปอยู่ในห้องก็เดี๋ยวไปใจไปโดกเต็มไปหมดเนี่ยทำอยู่ตั้งนานแล้วก็หมดแรงแนละ้วเข้าโรงพยาบาลไปทีเนี่ฮค ม, ม, นะมันหาไม่ได้เรารู้เราเห็นปั๊บเราเห็นเยอะเลยนะเห็นาไม่อยู่ตรงไหนเพราะหาไปอยู่ตรงไหนเราหาข้อดีเราเปิดประเทศไปโ ด, ด่บางที้ึงสี่สิบกว่าเล่มมันก็ตาเหลือกเหมือนกันเนะี่ยอันนี้ก็คือคือคือความยุ่งยากในการที่เราค้นเอง เพราะงั้นในที่นี้พระเจ้าก็แสดงแนวเดิมคือแนวยุคสมัยนั้นนะว่าเราก็เข้าหาท่านที่เป็นผูุสุดความเป็นนักบาร์ดเป็นความรอบรู้แต่ว่าต้องดูให้ดีนะฮะเรคนแสดงเป็นคนรู้เยอะคือคือตอบได้ทางนั้นคนไทยนี่เก่งะฮะคือว่ารู้ก่อนเรียนเนี่เยอะเป็นหมอเป็นหมอเยอะบางไทยนี่รู้เลยนะลองว่ามีใครป่วยเนี่ยคนบอกยาเยอะนะ ยาที่กุฏิเอามานี่เยอะเลยคนก็ให้เราถ้าถ้าฉันจริงก็ตายนานแล้วนะเพราะหมอเยอะนะต่างคนต่างกระดุ๊กถ้าอาจาร์ป่วยอย่างงั้นป่วยอย่างนี้นยยนก็พกพกยามาให้เสร็จได้สั่งยาให้ได้ร้ายแหะแต่พอดีเราก็ไม่ไปกินตามเขาไว้นะะเพราะงั้นไอไอ้ที่มาเนี่ยคนที่รู้เนี่ยนะ เวลานี้ที่ที่น่าหววงเนี่ยคือคนไปกำหนดที่พระป่าว่าเป็นพระรู้นี่คืออันตรายมากนะขมจีบอนกรักๆรกวางมาสสะพายบาดหน่อยโอ้โสัพพันยูเลยยาโยมก็ถามหลวงพ่อตอบงงๆไปยังไงก็เชื่อหมดเลยอันนี้คืออันตรายมากโดยไม่รู้บางองค์บวชมันทองถามปีแต่นั่นเองไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่วางมาสได้เฉย ลรวโยงก็ไปให้ความต้องการเพราะงั้นแกตอบทรงงมาเนี่ยเราก็ไปเชื่อที่จริงพวกเหล่านี้เวลาเขาต้องการรู้เนี่ยเขามาเรียนนะฮะเขามาเรียนกับพระที่อยู่เมืองที่มาไปนอกก็คือไปอบรมพวกนี้พวกนี้ก็ตั้งวงล้อมมาถามเราก็นั่งตอบให้เขาเขาไม่ไม่รู้ได้ยังไงเราไม่ใช่พออยู่ป่าปั๊บัเ็เกิดรู้อะมันรู้นความรู้มันอยู่ที่ปัจจัยวดดก่อนมันต้องผ่านปริยัติมาก่อน ได้จึงปฏิบัติได้จึงปฏิเวทมันต้องเรียงมาอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาตอบเวลาเขาตอบอย่างนักวิชาการเนี่ยเขาจะดึงมาให้ดูเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมาอย่า ง, งนี้ต้องการความมั่นใจก็ก็บัญหยิให้ดูเลยมันจะได้ความมั่นใจพระพุทเจ้าจึงเน้นที่ต้องเป็นเผ่าสูต ร, รนะการถามไม่ใช่ถามไม่ไม่ใช่ถามใครทั่วไป ต้องถามพระที่เป็นพหะอุสุเท่านั้นเองเพราะถามเรื่องปริยัติไม่ใช่ถามเรื่องปฏิบัติแล้วก็เอท่านเหล่านั้นต้องเอาสิ่งที่ท่านรู้มาพูดไม่ใช่พูดตามทำตามท่านนะหมายความว่าท่านเหล่านี้จะต้องถ่ายทอดธรรมะตามที่ตัวได้ศึกษามาว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงว่าอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้ตอบเองนะะต้องตอบตามที่เราพูดได้จาว่า ตอนนั้นนี่ก็คือที่อิงอาศัยแล้วบางก็จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในการตรงนี้ที่จริงก็คือในการศึกษาในการปฏิบัตินะเพื่อพัฒนาจิตสร้างอริยทรัพย์แต่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างสร้างโลกิยทรัพย์มา ก, ก่อนพรอสร้างโลกิยทรัพย์มันก็มีคุณร่วมบัติอย่างนั้นคือต้องมีดวงตามีความ มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีที่พึ่งอาศัยนะถ้ามีสามอย่างนี้คนก็สร้างสถานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้แต่ว่าทรัพย์ตรงนี้มันจะสิ้นเสื่อมสลายไปแล้วก็อาจจะเป็นไฟเป็นอันตรายนะฮะมาสู่ตัวเองได้เราจะเห็นว่าฆ่ากันบ่อยเมื่อคืนเนี่ยก็อะไรเศรษฐีเงินกู้อะไรถูกยิงตายโอ้โหโหนมัรุนแรงด้วยกันเนี่ย ฆ่าชําแหละตัดเป็นชิ้นๆใส่กระเป๋ามันน่าดูจริงๆไงไม่รู้มันโหดเที่ยมทารุณกันมาจากไหนไม่รู้อามายังนึกๆอย่าพูดเป็นเล่นนี่ยนึกๆอยู่นานเลยนะคือพวกเทวดาพวกมีบุญเนี่ยเขาเลือกเกิดได้นะฮะเราจะเห็นว่าอย่างพระรยบุคคลบางทีท่านๆท่านนึกสนุกขึ้นมาถ้ามาเกิดแผ่ยาตุมาราแต่ น, นั่นเออันนี้เขามาเกิดเป็นมนุษย์อะไรนะต้องการจะช่วยโลกอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์ แต่ว่าสัตว์นรกเนี่ยมันเลือกเกิดมันได้มันจากัดจําเขียดได้เกินนะเหมือนมีเงินค่ารถอยู่เท่านี้ไปรถอื่นไม่ได้อนะมันต้องขึ้นรถคันนี้จะได้เดี๋ยวนี้มีการวางแผนครอบครัวมีการคุมกําเนิดมีการอะไรพวกเทวดาเลยไม่อยากมาเกิดแล้ยุ่งยากนะโดยไปขึ้นสวรรค์หมดเลยเลยพวกปีผีหาซาตานก็แห่ลงมาเกิดมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีทางไปแล้วนะมันขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไม่มีซาตานไม่มีบุญก็อเอามาที่โลกมนุษย์เนี่ยเกิดไปให้ได้ ผสมเทียมผสมอะไรก็เอาไปหลอดแก้วหลอดเกลือก็เข้าไปเลยมันก็จิตใจเลยมันเขี่ยมเกรียมรเรยหารู้โคตรเลย่อเรีนไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอาการกิเลส น, นะล่ะอาการกิเลสที่ไปเรารู้เราไม่รู้เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตราย เพาะออริยทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ติดใจโลกียทรัพย์เป็นทรัพย์ติดโลกเป็นสมบัติของโลกแต่การสร้างอริยทรัพย์ก็อาศัยโครงสร้างเดียวกันหมความว่าเราก็ต้องมีดวงตารู้ตัวปัญหาเหตุเกิดของปัญหาความดับของปัญหาและข้อปฏิบัติได้ถึงความดับปัญหาในขณะเดียวกันในการรู้มันก็ต้องอาศัยการคิด แล้วคิดเฉยๆก็ไม่ได้ต้องลงมือทําตามนั้นนะตามกลุ่มของธรรมะเหล่านั้นทีนีใน้ในการศึกษาก็ดีในการคิดก็ดีในการปฏิบัติก็ดีเนี่ยมันทําตามลำพังเองไม่ได้เราก็ต้องมีที่พึ่งอาศัยว่าตรงนี้ควรจะสอบถามควรจะศึกษาอะไรกับใครอย่างไรก็หมายความว่าคนเหล่า น, นั้นจะต้องมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน หมายความว่าเราก็ถามคนที่เคยไปนะฮะใกล้ๆกันเราจะไปไนะเราก็ถามคนที่เขาเคยไปอะมันไปอย่างไงถนนลนทางเป็นอย่างไงเขาก็ตอบได้เพราะเขาเคยไปมาพวกนี้จึงกลายเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วคนที่เป็นที่พึ่งอาศัยเราก็พระพุทธเจ้าจะเน้นไปที่ตัวพระอุสุเฉพาะเรื่องนี้นะฮะก็แล้วแต่อะไรว่าคนเนี้จะตอบปัญหาเรื่องอะไรได้เราก็ไปเข้าหาไปสอบถามท่านเหล่านั้น นี่ก็เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่จะให้ความมั่นคงทั้งสองด้า น, นคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางจิตวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นฐานใหญ่มากๆในในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเราที่มีความสลับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่แต่จิตใจของคนในสังคมขาดแคลนอริยทรัพย์พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นในที่เป็น น, นะ ก็มีการพูดถึงว่าเมืองไทยในรุนแรงนะฮะโดยพวกหัวหน้าปลุกระดม14ตุลาอาจารย์รวีพวิไลทรรมก็จริงขึ้นมารเราจะเห็นว่าที่ยุโรปที่มันฆ่ากันแบบนี้แรงมากๆนะไม่น่าเชื่อเลยโอ้ พ, พวกนี้ทําไมฮารโหดรุนแรงขนาดนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่บอร์เนียที่เเช็กซาราวักที่อะไรต่ออะไรที่เขาฆ่ากันรุนแรงมากาแสดงว่าความรุนแรงนี้มีอยู่ทุกส่วนของโลกแล้วเ อ, อ แหลงใดที่ขาดแคลนธรรมะไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมความรุนแรงจะมากแล้วก็ฆ่ากาันโอ้มันมันดาระดาษันมันเกลื่อนหมดเลยดังนั้น เ, เรื่องเหล่านี้จริงๆเป็นตรัชธรรมที่พัฒนาทั้งสองด้านแต่ว่าอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก เพราะว่าเป็นสมบัติติดใจและพัฒนาจิตใจของเราสมัติวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเั็นทน่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านสาวชนทั้งหลายโดยทักกันทุกท่านเือน